พระธรรมเทศนาแผ่นที่85าลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธา น, ธานีแสดงธรรมในวันที่3มีนาคม2559มีชื่อเรื่องว่าหลวงพ่อเคยจนลูกหลานอยู่ในความสงบ ตั้งแต่หลงพ่อขึ้นมาห่มผ้าห่มตลอดตอนเช้ารู้สึกบนอากาศเย็นดูๆแล้วก็ประมาณสักสิบเอ็ดสิบสอง 11, องศาก็ไม่ถึงกระหนาวมากแต่ก็ค่อนข้างหนาวสำหรับผู้สูงอายุแต่เมื่อวานวันก่อนวันวานยได้ยินไอ้สมชายมาล้องประกาศนะนะคงจะอุ่นขึ้นแล้วมั้ง อุตุประจำวัดนะวันนี้เป็นวันที่สามมีนาคมพุทธศักราช2559ห้าอสพระทั้งหมดมีอยู่สาสบดองค์วันนี้ลงมาฉันงดฉันแปดแปดรูปนะวันนี้ก็เป็นวันเดือนเข้าป่าเดือนสี่และลูกหลานคณะทายาติโยม แล้วก็อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาก็เป็นวันทาบุญลํำลึกถึงคุณแม่ชีกแก้วเสียงล้ําพวกเรากคงจะได้มองไปทางนู้นอีกเหมือนกันคุณแม่ก็เป็นผู้มีอุปการะคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหลวงพ่อตั้งแต่ก่อนเกิด คุณแม่ก็ทำนายบอกกล่าวจนถือมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ท่านก็นดูแลห่างๆไกลๆขนาดที่จะมาอยู่วัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อเดินทุ้ดงพรรษาที่สี่เดินทุ้ดงขึ้นมาแถบนครพนมสกลนคร ข, ขึ้นมาทางหนองคาย แล้วคนเนี้ยเข้ามาอยู่ท่ากองเพนนองบัวลำวัดน้องแซงคุณแม่ท่านขึ้นมากราบองค์หลวงตาท่านก็ยังฝากฝังฝากฝังหลวงตาไว้ด้วยนะท่านบอกว่ามีคูบ่บ้าลูกของก็น้อยจะมาเนี่ยนะอีกไม่นานคงจะมาเข้ามา ขอให้ท่านอาจารย์รับไปด้วยนะขอให้ท่านอาจารย์รับไปด้วยเมตตารับไปด้วยนะว่าท่านเคยอยู่กับหลวงตามหาบัว เ, เป็นสิบปีที่บ้านตาดต น, นัท่านช่วงนั้นท่านเขามากราบเยี่ยมกราบคารวะหลวงตาท่านก็ยังฝากฝังไว้แต่พอมารู้ทีหลังคุณแม่พูดพูดให้ฟัง แต่หลวงตาท่านไม่พูดแต่ท่านก็คงจะรับรู้รับทราบเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองจะได้อยู่วัดป่าบ้านตาดเป็นเวลาสิสิบกว่าปีแต่ตั้งอง2จนถึง2525น 25, อยห้อยู่กับหลวงตาตลอดไม่เคยไปจำพรรษาข้างนอกพอออกจาก บ้านตาก็มาอยู่ที่นี่แต่ถึงจะมาอยู่ที่นี่ <c oughs> ก็เติร์กองหลงตาท่านก็ให้ความเมตตา <c oughs> มาช่วยดูทางด้านวัตถุทั้งสระน้ำบังทั้งเขื่อนน้าบังทั้ ง, งกําแพงวัดด้วยแล้วก็ท่านยังพูดอีกว่าเรื่องสระน้ําน <c oughs> ื่องจะขุด ทำเป็นคลองระบบน้ำบอกท่านจะให้ท่านยังพูดไว้อีกยาวๆวไว้อีกนะท่านมีใช่ว่ให้แล้วก็จบไม่ใช่แต่เราก็พยายามทำให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดแ ต, แต่สําหรับคุณแม่คุณแม่ชีแก้วที่เราลํำลึกถึงบุญคุณของท่านท่านก็ยังบอกอีกว่า ตั้งแต่คุูบาตั้งแต่แม่เนะี่ยนได้บริจาคทานทำบุญทำทานสงเคราะห์วัดต่างๆวัดของคุูบาอินเนะี่ยแม่ได้เสียสละมากที่สุดให้มากที่สุดกว่าทุกองค์คุณแม่ท่านพูดอย่างนั้นอีกจากนั้นท่านก็ฝากฝากฟังไว้กับกคุณหมอเพนสีอีกนะ หมอเป็นสีคือตอนนั้นกับท่านคุณหมอก็พอออกจากหมอรามาอาจารย์หมอรามาท่านก็แบบไม่รู้จะทําไปไงพอเงินเดือนออกมาก็มีจะให้คนป่วยให้คนป่วยใช้เลี้ยงคนป่วยทั้งหมดตัวเองก็ไม่ได้ใช้เพราะตัวเองก็มีเงินมรดกพ่อหาไว้ให้มีเพียงพออยู่แล้ว ออกปฏิบัติธรรมดีกว่าท่านก็เลยลาออกจากหมอออกมาปฏิบัติธรรมมาจําพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดจากนั้นท่านก็กลับบ้านมาบ้างกลับไปบ้างไปวัดโดยมากท่านเคารพนับถือองค์หลวงตาแล้ต่อมาคุณแม่ชีแก้วไปป่วยอยู่พร้อมมิตร หลวงตาก็ไปเยี่ยมหลวงปู่ชิ้งทองก็ไปเยี่ยมพอเป็นคนของวัดป่าบ้านตาดจากนั้นคุณแม่ก็ป่วยเขาก็ว่าเป็นมะเร็งปอดแต่ขึ้นมาพอป่วยพออาการดีขึ้นคราวนั้นก็คือหมอเจริญหมอบุญเลี่ยมวัฒนชูชาติเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาเป็นผู้ดูแล แต่เขาก็บอกว่าคุณแม่จะขึ้นมาไม่เกินสามเดือนเพราะเป็นมะเหลงปอดคุณหมอเพ็ญศรีนี่ก็ลาออกจากงานจำมันษามันตาดมาแล้วก็เลยอเราน่าจะไปเอาบุญกับคนกับชีอายุแก่ปฏิบัติมานานเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาด้วยหลวงตากระรับรองว่าเป็นผู้บริสุทธ หมดจดจากกิเลสแล้วคุณแม่ชีแก้วคุณแม่ชีแก้วเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างไรคุณแม่ชีแก้วเป็นอย่างนั้นในท่านในด้านจิตภาวนาหรือทั้งด้านจิตใจท่านรับรองถึงขนาดนั้นจากนั้นคุณหมอเป็นสีขึ้นท่านก็จะอยู่เพียงสามเดือนเราก็ควรจะไปปฏิบัติท่านเพื่อเอาบุญกับท่าน เพราะเราก็เป็นหมอแต่นี้นคุณหมอเป็นสีก็เลยเข้ามาดูแลมาใหม่ๆก็เข้ามาอยู่หกเจ็ดวันก็ออกไปบ้างกลับไปสองสามวันกลับมาผลที่สุดก็เลยมาอยู่อยู่ดูแลคุณแม่เรื่องอาหเรื่องอาหารทุกอย่างเรื่องยุกเรื่องยาผลที่สุดคุณแม่ไม่ตายง่ายใช่แล้วเทอะเนี่ อยู่ทั้งสิบสี่เกือบสิบห้าปีคุณหมอเจตนีก็ไม่ได้ใชนีหมพอได้มายอยู่กับคุณแม่ความผูกพันทางด้านจิตใจอีกต่างหากเจตนีก็เป็นห่วงถ้าอยู่ก็โอ้เหมือนกับอฮคุณหมอเหมือนกับอยู่บนสวรรค์ตกตกในหลุมนรกลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ถ้าไม่เลือกถึงคุณแม่แล้วก็ไม่คงอยู่ไม่ได้ แท่า น, นก็ดูปนในบัตรคุณแม่เราก็ในฐานะเป็นลูกของคุณแม่อีกลูกหลงตาอีกถึงเราจะมาอยู่ที่ห้วยทรายออกจากจากอกจากวัดป่าบันตาดมาอยู่ที่นาคำน้อยเราก็จ ะ, ะแซวไปดูคุณแม่อยู่บ่อยครั้งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมีอุปสรรคมีอะไรเกิดขึ้นภายในวัด ที่จะต้องช่วยเหลือพัฒนาเรื่ว่าขาดเหลือขาดตกบกพร่องของคุณแม่เราก็ในฐานะที่เป็นพ่าลูกผ่าหลานเข้าไปดูช่วยเหลือวัดวัดของคุณแม่ทั้งจ้างวัดตัวเองด้วยทั้งไปดูวัดของคุณแม่ด้วยคุณหมอเป็นสีท่านก็นอยู่ที่นั่นนั่ยนะถึงอยู่ถึงสิบเกือบสิบห้าปีนะคุณหมออยู่คุณาโอ หน้าแปลกใจคุณหมอดูปอดของคุณแม่เนะี่ยมันปอดทางซ้ายแลือปอดทางขวาเนะี่ยหายเงียบเลยนะไม่หายใจเลยแต่กระป๋อ ด, ดีด้านเด่นหายใจกับฟอดแฟดฟอดแฟดน้อยมาก <c ười> คุณแม่อยู่ได้ยังไงอยู่โดยไม่หายใจ <c ười> โดยไม่ได้ใช้ปอดหายใจคุณหมอก็แปลกเเหมือนกันนะ เออจึงสิบกว่าปีจากนั้นคุณแม่ก็ยังฝากหมอกับหมอเพ็ญศรีอีกด้วยนะ อ, อฝากไว้กับคุณหมออีกคุณแม่นะเออคุปดูแลกูบอน้องด้วยนะออดูแลกูบอยอินด้วยกูบาน้องด้วยนะแม่ทาแม่จากไปนะแต่เนื่จากนั้นมาคุณหมอเพ็ญศรีท่านก็ดูแลออวัดหวาของเราเนะ หลวงพ่อพูดได้เลยว่าวันไหนไม่ได้ฉันอาหารของคุณหมอเนี่ยไม่วัวข น, นมไม่รู้ว่าทอฟฟี่ไม่รู้ว่าโกโก้ ก, กาแฟในวัดของเราพระลูกหลานของเราเนี่ยเกือบวันนั้นเกิดจะไม่มีเลยท่านดูแลมาโดยสม่ําเสมอเป็นผู้มีบุญคุณอย่างมากต่อวัดของเราคุณหมอเป็นสีกับน้องน้องของท่านคุณพูณสีคุณนิจ ช, ชาภาเนะมะกรานนท ท่านเป็นผู้บำเพ็ญกุณูประการกับพระพุทธ ศ, ศาสนาอย่างมากเป็นผู้เชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาด้วยช่วยเหลือทั้งท้าวรถทาวรวัตถุด้วยทั้งอะไรด้วยถ้ามีอะไรก็บอกท่านปรวาณาแต่เราก็ไม่เคยขอท่านมีเคยขอครั้งหนึ่งที่ว่าจังๆก็คือ ออกมาจากวัดป่าบ้านตาัดพอมาเนะี่พระในวัดของเราก็ป่วยเป็นโรคท้องบวงป่วยไข้บังหาสาเหตุไม่ได้คือสรุปแล้วก็คือพระอยู่ในเมืองมาอยู่ในชนนบทมาอยู่บ้านนอกมาอยู่แถวเราเนะี่ยมาดื่มมาดื่มน้ำเหมือนดื่มน้ําคลองก็ไม่ได้ต้มบางทีก็ขุดน้ําบ่อขึ้นมาแล้วก็ดื่มเลยไม่ใค่น้ําคลองนะน้ําบ่อ กินน้ำบอ่อแต่มันก็มีเชื้อสารอะไรอยู่ในนั้นผ้าเป็นไข้กันโอ้แต่หลวงพ่อส่งยาจะหมาอยู่บ้านตาัดพอหลวงพ่อมารี่เริ่มสร้างปีสองสามพอจากนั้นหลวงพ่อเข้ามาปีสองห้าหลวงพ่อคือคิดเรื่องน้ำก่อนเลยพอเขาสร้างสลาหลังเนี่ยสลาหอชั้นเก่านะี่เตี้ยหนะลวงพ่อคือคิดทำถังน้ำสองถังมีเงินอยู่หกพันิดด้วย ลูกหลานมีเงินเงินหกพันสมัยนะั้นคิดว่าสร้างถังถังละสามพันพอมาสร้างขึ้นมาเท่นี้มันไปไม่ได้เพนะื่อนไอ้ผู้ที่เอารถขนหินมาให้นะี่ไงมันหินเอาหัวหินมาผสมกับแกล่นไะงเอารถแกบผสมหินคือมันมีแกล่อยู่แล้วไม่ได้ล้างไม่ได้ทําความสะอาดแนะอะแกล่อยู่ข้างๆฝารถนะ่ะ สิบร้อนเะตักหินขึ้นมาใสา่แล้วก็แก่มามาตายเถอะนี่หินกับแกนะหินก็จมแกบก็จมเหมือนกันเวลาใส่น้ำมนะสุกลูกเราคิดดูนะไปใส่ดูก็ได้มัญลล้างไม่รู้จะล้างยังไงเถอนี่โอ้กว่าจะล้างหินออกจากแกบล้างแกบออกจากหินนะเป็นภาลามากใช้ งานไม่ใช่น้อยเหมือนกันในทำงานข่าวนั้นจึงจําไม่ลืงประทางทุกวันนี้ยาอนไปสมัยข่าวจนหลวงพ่อจนทั้งที่ปูนซีเมนก็ท้งที่จะเป็นปูนตาช้างเอาปูนเสือเอาปูนเสือมาใช้เพราะมันเงินตาช้างมันไม่พอเนี่ยมันไม่พอเงินไม่พอมันแพงกว่าตาเสือในยี่สิบบาทตาช้างในสามสิบสมัยนั้นเอาตาเสือ ใส่เหล็กห่างๆอีกต่างหากเลสองทังสองทางลงหอวฉันเก่าพอสร้างไปแต่นี้มันหมดเงินนะเงินวัดก็ไม่มนะีเขาก็จะทิ้งงานนะทิ้งงานกันเราก็ขอร้องเขาเอาชาวบ้านมาช่วยแต่ถึงยังไงก็ไม่เสร็จ เ, เราก็ไปเยี่ยมคุณแม่ไปเยี่ยมคุณแม่นั่นนะ่ะถึงแม่ไม่สบายเราไปเยี่ยม คุณหมอเป็นสี่ท่านกระถางมาเป็นไงท่านเรื่องโอ้กำลังทำถังน้ำไอจวนจะเสร็จแล้วยังอู้ขาดเงินเงินม่อยู่ห0พันก็เลยทำก็เลยรอรอไว้อยู่คิดว่าจะได้ใช้เพียงถังเดียวถัทงที่สองนะไปเสร็จท่านก็บอกโอ้ทา้งเงินเงินอยู่ที่นี่มีอยู่แปดพันนะโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นบ้ง่งคุณหมอเ่าเอาไม่ไม่เป็นไร เอาไปใช้เลยท่านก็ให้มาแปด0ันโอ้ข่าวนี้เสร็จแน่ๆแล้ววะในเงินแปด0ันหลวงพ่อจำไม่ลืมนะลูกหลานขนาดนั่นอ่ะพอต่อมาท่านก็เลยโอนเงินเข้ามาอีกเกือบสองหมื่นบาทเอยเหลือเฟือที่นี่วะนี่แหละจึงมีทางน้ำพอทางน้ำมันรั่วข้างล่างเองเลย เอ๊มันเป็นยังไงมันรั่วข้างล่างอะแต่ที่ไหนได้เขาไม่ได้เทอุดอุดข้างล่างของมันใช่ไหมละ่ะเพราะมันไม่มีเงินสมัยนั้นน่ะอะเทปูนบางๆมันก็รั่วข้างล่างเลยใช่รวงพ่อกันเลยลงไปทบใหม่เลยบดอัดใหม่ข้างล่างในถังน้ําก็เทให้หนาเลยใช่ไหมให้มั่นคงเลยแข็งแรงเลยกระทั่งอยู่กระทั่งทุกวันนี่แนะนี่แหละจากนั้นพระเนนก็ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยอีกเลยประเภทอย่างนั้นน่ะ แบบปูไยแบบตัวร้อนแบบจะว่ามาลาเรียก็ไม่ใช่มันเป็นลากศาสตร์มันผิดอากาศผิดน้ำผิดอาหารผิดอากาศสมัยท่านนินนพนท่านสดอยู่นะแต่หลวงพ่อมาเลยไม่มีไข้ประเภทนั้นหายหมดเลยนี่แหละความเป็นมาของวัดของเราเนยยากจนนะลูกหลานนะ ไม่ใช่ครับผมาเป็นมาแบบอยู่แบบปล้ำรวยอยู่แบบยากจนมาอยู่ตลอดเราออกมาจากองค์หลวงตาเราก็ไม่เคยขอจากท่านอีกทั้งที่ท่านขอสมัยนะั้นหลวงตาก็ไม่รวยท่านก็อยู่แบบสมถะอยู่แบบเตียบง่ายของท่านท่านได้มาเท่าก่บสงเคราะห์อนุเคราะห์ไปตามเรื่องของท่านที่ท่านจะให้มาให้เราเราไปขอจากท่านไม่เคยมีหรอกเราก็อยู่แบบของเราไปเรื่อย ต่อมากันนะั่นแหละเพราะนั้นลูกหลานพาดเห็นทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาอยู่ไม่ได้รับความสะดวกสบายหลวงพ่อพวกท่านทั้งหลายมาอยู่กับพระจนะมาอยู่กับพระที่จนตั้งแต่หลวงพ่อนับหนึ่งกอไก่หลวงพ่อจนขนาดนั้นล่ะลูกหลานการหาดทําถางน้ำจึงไม่มีเงินถ้าไม่มีคุณหมอเป็นสีช่วยขราวนั้น ทางน้ำคงไม่เสร็จนะแต่ถึงยังไงต่อม า, อาท่านก็ให้มาเรื่อยๆจะสร้างอะไรสร้างศาลาหลักนี้นะท่านก็ให้สร้างสางนะพานท่านก็ให้สะพา น, น, เ, าพานนะเป็นครั้งแรกเลยแตนะอบอกว่าข้ามน้ำมีความจำเป็นมีถอนไม้ข้ามโอ้อันตรายมากนะท่านท่านก็เนีน่ยนะ เอาช่างมางบประมาณให้เลยเามาสร้างทั้งหมดประมาณล้านสองไนงะสมัยนั้นนะสมัยก่อนนะสะพานเนี่ย น, นะโอ้หลวงพ่อได้เงินล้านสองสมัยนั้นก็ไม่เคยมีเลยไงแต่เขาท่านเขียนเช็คมาให้ก็ไปปรึกษาองค์หลวงตาเหมือนกันนะเออพ่อแม่คุยจานเนี่ยเขาคุณหมอเขาถวายปัจจัยล้านสองจะให้ผมทํำยังไงเนอะครับผมจะตั้งคณะกรรม กรรมการขึ้นมาบริหารหรือจะมอบให้พ่อแม่กูจาร์ให้ป้ากุจันท์แล้วก็กระผมจะมาเบิกเป็นบางครั้งที่ไปสร้างทำสะพานจะทำยังไงดีน้อกระผมรวมพ่อไปปรึกษาพ่อเหมือนกันไอ้ได้เงินมาได้ปัจจัยมาท่านก็นั่งตั้งเขาขึ้นข้างหนึ่งฮแล้วก็เคี้ยวหมากแล้วก็มองขึ้นบนเพดาน แล้วก็เอายาเส้นสีสีฝันของท่านบนท่านโคตเขียวหมากต้องใส่ยาต้องใจยาเส้นโดยใช่ไหมแต่เงินมองขึ้นน้องฟ้ากงสีเวินพอสักพักหนึ่งท่านก็เรือบมาตามาหาเร า, าถ้าไม่ไว้ใจเจ้าของนั่นแะอย่าไปยุ่งเรื่องการเงิน กว่าให้ราวาะญาติโยมมากเกี่ยวข้องเรื่องการเงินมีแต่เรื่องยุ่งทั้งนั้นอ น, นี่มันเป็นเงินของพุทธศาสนาไม่ใช่เงินของใครท่านเป็นคนพุทธเป็นขั้นเป็นพระท่านต้องบริหารท่านต้องชื่อสัตย์กับการเงินกับตัวของท่านเองถ้าท่านไม่เชื่อนะท่านอหญ่อย่าไปยุกนะเรื่องการเงินนะ่เป็นพิษพายอย่างแรงนะถ้าหากว่าท่านเชื่อในท่านนะเอาเลยเดินเลยทําเลย ไม่ต้องตัง้งคณะกรรมการไม่ต้องมีอะไรทั้งหมดเข้าใจไหมเราก็ประนมมือสาธุครับผมอจากนั้นมาหลวงพ่อก็บอกเลยนะเอออิน hey, ถ้าเธอไม่เชื่อเธอเธอจะเชื่อใครวะนะักอะเธอต้องเชื่อเธอนะเธอต้องซื่อสัตย์ต่อพระพุทธศาสนานะซื่อสัตย์ต่อพระพุทธศาสนาชื่อสัตย์ต่อพธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะเธอเธอบวชมาเพื่ออะไร มาบวชมาเพื่อราบสักการะหรื อ, รอบวชมาเพื่อมรักผลนิพพานถ้าเพิ่มเธอบวชมาเพื่อมรักผลนิพพานนะเธออย่าไปยุ่งอย่างอื่นต้องชื่อตรงตรงชื่อสัตว์เอนี่แหละหลวงพ่อประกาศตนเองที่ได้ฟังจากองค์หลวงตาคราวนั้นนี่แหละหลวงพ่อกับบริหารมาเลยเต้องซื่อสัตว์เงินทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องประชาชนบริจาคมาเพื่อใคร เขาจบแล้วจบอีกอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกเพื่อพระพุทธศาสนาเราจะใช้อะไรออกไปเราต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกัน เ, เราจะไปใช้สมสีสู5ห้าแบบใช้ไม่คิดไม่อ่านมันไม่ใช่นั่นเป็นหนทางไปสู่นรกของพลาที่ได้มาแล้วกันเราใช้ให้เกิดประโยชน์นนเราจะให้ใครเข า, เขามีประโยชน์เขาทำประโยชน์ให้เก็บกับวัดวาสนาต้องมีสิ่งที่ตอบแทน แเมื่อเขาทํามาเราจะไม่ให้เขาเสเลยไม่ได้ต้องให้เขาเพราะว่าเขาทํางานให้พระพุทธศาสนา เ, เราต้องมองรูปตามความเหมาะสมนั้น น, น, นี่แหละอันนี้แหละคือการบริหารเรื่องจัดการท่านหลวงพ่อไม่พูดให้ลูกให้หลานฟังนะอหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่เหมือนกันนี่เลยเหมือนกับเสกคาถาสาลาเหมือนกับเสกคาถาเรื่องต่างๆขึ้นมาไม่ใช่นะหลวงพ่อจนแนะละโรคหลานนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ลืมตัว ถึงจะมีอย่างไงหลวงพ่อก็ไม่ลืมตัวอพอหลวงพ่อเกิดมาจนแต่ไม่ขี้เหนียวนะหลวงพ่อมองดูถ้ามีเหตุที่จะสงเคราะห์แล้วหลงเคราะห์สงเคราะห์ได้เลยให้ได้เลยให้แล้วไม่เสียดายอีกต่างหากจะสร้างศาลาสร้างอะไรให้กับพระลูกน้องบริวารสงเคราะห์ไขให้ไปเลยแล้วก็จบอให้ไปแล้วอให้ไปแล้ว ไม่จำเออถ้าจำแล้วมันทุกข์แต่ถ้าถ้าว่าผู้อื่นให้กับเราน่ะเออเราต้องระลึกถึงบุญคุณของเขาเราจำไว้ในใจ อ, อืออย่างคุณหมอเพ็ญศรีให้มาเน่ะหลวงพ่อยังจำไม่ลืมเป็นเวลากี่ปีแล้วเออจำไม่ลืมไปเพราะอะไรเพราะท่านให้ให้เรามาเราจะจำไม่ลืมแต่นะเมื่อเราสงเคราะห์คนอื่นเราอย่าจำไม่ต้องจำให้ไปแล้วแล้วไป เขาจะทดแทนไม่ทดแทนเป็นเรื่องของเขาเราจะไปทุกข์ถ้าคนเราให้สิ่งของไปแล้วเราไปเอ๊ะทาไมเขาไม่ทดแทนบุญคุณของเราเขาไม่รู้จักบุญคุณของเราเราสงเคาะเขาไปแล้วนะเราจะเป็นทุกข์ในจิตในใจเพราะ น, นั้นเดี๋เราอย่าจับให้แล้วแล้วไปเป็นหน้าที่ของเราที่จะให้ก่อนที่เราจะให้เราคิดดีแล้วจึงให้ไม่ใช่หรอถ้าเราคิดดูแล้วไม่เกิดประโยชน์เราจะให้เขาทําไม เพราะฉนั้นเราต้องคิดดีซะก่อนเราจึงให้ในเมื่อคิดดีแล้วให้ในเมื่อให้ไปแล้วนะ่ะไม่ต้องจำตรงพ่อเป็นกติกของหลวงพ่ออย่างนั้นนะหลว ง, งตาท่านสอนอย่างนั้นเหมือนกันนะลูกหลานเพราะฉะนั้นการเสียสละการทำบุญทำทานมันเป็นหน้าที่ของพวกเราได้มาขี้แต น, นีทีเนียวไม่รู้จักไม่รู้จักแบ่งปันเึงเลยก็ไม่ถูก ทานได้มาแล้วอิรุยชุยแจกไม่รู้จักประมาณในการใช้การบริโภคก็ไม่ถูก เ, เพราะนั้นเราต้องคิดต้องใช้ปัญญารอบครอบเพราะจะตุปัจจัยที่ได้มาไม่ใช่ของเราเป็นของพระพุทธเจ้าถ้าเราอยู่อยู่ในฟอร์มอื่นละ่ะเขาจะให้เราไหมอย่างที่เขาให้เนี่ยถ้าเราอยู่ในยูนิฟอร์มนี้เขาถือว่านี่เป็นธงชัยของพระหรัน เ, เป็นธงชัยของพุทธ เอาบูชาพุทธะเอาจึงให้มาวัราะนั้นเราผู้เป็นอยู่เบื้องในอยู่ข้างในอยู่ในของแนวแถวของศักยบุตรเป็นพุทธะ เ, เราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ให้ดีคิดซะก่อนอยังค่อยใช้วันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับลูกหลานแนวหนึ่งนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร น, นะท่นีน่าถึงยังไงพวกเรา ให้ตั้งอยู่ในอยากตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจบุญกุศล น, นั่นแหละจะเป็นพานําพวกเราไปสู่ความสุขสุข ก, กายสุขใจจนถึงพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารบุญนี่แหละจะเป็นผู้พานำทางบาปาบนี่จะไปทางชั่วนะนะั่นแหะไปทางตกต่ําไปในทางที่เลวซามไปทางต่ําไม่ควรจะทาไม่ควรจะคิดไม่ควรจะสร้างไม่ควรจะ พูดถึงมันเลยแหละเรื่องความชั่วนะ